เห็นว่าไม่มีความสาคัญนักเนืทางวัดบานงโคก็ได้ทำประวัติหลงพ่อปานเล่มใหญ่ออกแจกกร บ, บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายมีราคาประมาณเล่มละร้อยห้าสิบบาทแต่ยังไงก็ไม่สาบชัดเห็นเล่มใหญ่มากและได้ว่าน้องเสือเล่มนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน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 เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการนั้นเถิดพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญกุศลและเปล่งวาจาต่อหน้าประชาชนราต น, นาพระโพธิญาณนีน่ตามี่ทราบกันมาก็หมายความนึงวา่าท่านผูนน้นั้นมีบารมีเป็นปรมัทบรารมีไ่จะบรรลุอวิเศษสัมมาสมัมโพธิญาณแล้ว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 ข้อนี้อาจจะมามีความสงสัยมากแต่หากว่าทางวัดบ้านองโคมีโอกาสจะแจ้งมาอาตมาทราบก็จะแจ้งได้่แจ้งแกบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าภาพนี้ได้มาจากไหนก็จะเป็นการดีแล้วต่อจากนี้ไปก็มาพูดถึงความสัมพันธ์ของอาตมากับหลวงพ่อปานว่าทำไมอาตมาจะมีความเคารพหลวงพ่อปานมาก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 อาการของท่านเทียบหนักคนทุกคนแจ้งบอกว่าเวลานั้นหลวงพ่อปานสลบไปแต่หกว่าตามความรู้สึกของธรรมมาคิดว่าไม่สลบคำว่าสลบเนี่ยธมมามไม่เข้าใจเหมือนกันล้วว่าอาการที่เป็นแบบนั้นเหมือนกับตายเป็นการจิตที่เคลื่อนออกจากกายของท่าน <c oughs>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 เราว่บาบุคคลที่บบอยากสงเคราะห์บทบรรดาประชาชนทั้งหลายและพิษุพิมเสนภายในสถานที่ต่างๆในการสั่งสอนธรรมะก็ดีสร้างอาหารการเรียน่อาศัยให้เกิดให้แก่บรรดาพิษุส์สทั้งหลายก็ดีที่ทำเป็นสาธารณประโยชยน์หลวงพ่อปานนี้ไม่มีเขาเสียใจยกันมากอรบันดาท่านพุทธบริษัทพูดมาประมาณสามสิบนาที